ก็เราว่าเป้าหมายชัดเจนเลย ว, ว่าร่องร่องแนวความคิดของตัวเองเนี่ยขอไหลไปไหนจะไหลไปไหนความคิดที่เราคิดตอนเนี้ยที่เป็นบุญอยู่ขนาเนี้ยเพื่ออะไรเอาถ้ามีปัญญาเนี่ยปัญญาจรู้อะไรปัญญารู้อดีตปัญญารู้อนาคตปัญญารู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตนะว่าโอ้ฉันมีปัญญาก็เลยอยู่กับปัจจุบันได้นั่นไม่ใช่ไม่ใช่ปัญญาที่เป็นคําสอน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 ต้องการหลีกออกจากความไม่เที่ยงเห็นโทษของความไม่เที่ยงต้องการหลีกออกจากความไม่เที่ยงแต่การที่จะหลีกออกจากความไม่เที่ยงเนี่ยนะด้วยอนิจจานุัสสนาพอไหมไม่พอต้องหลีกออกด้วยอริยมรรคขอปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงจงเป็นไปเพื่ออริยมรรคเห็นธรรมเป็นที่หลีกออกจากรูปที่ไม่เที่ยงเถอะเนี่ยนะก็ว่ามีมีความชัดเจนนะรูปที่ไม่เที่ยงเพื่อนน้อมไปหาพระนิพพานที่ เป็นที่ดับรูปวิปัสนาปัญญาเนี่ยน้อมไปเพื่อโลกุตระปัญญาอะปัญญาระดับล่างน้อมไปเพื่อโลกุตระปัญญาระดับสูงที่เป็นกามาวจรเป็นมหากุุสเพิ่มให้ทำยังไงอะแปรสภาพจากมหากุสธรรมดาเป็นโลกุตระเนี่ยนะครับว่าพยายามถอนตัวออกอยู่ตลอดเวลาเจริญเพื่อถอนตัวท้าปัญญาอย่างเดียวบรรลุได้ไห เมื่อกี้บอกว่าปัญญามีอะไรเป็นเหตุไป ส, สมาธิสมาธิมีสติสติมีวิริยะวิริยะมีศีลศีลมีกุศลวิตกกุศลวิตกมาจากมีปัญญามันก็หมุนรอบตัวกันไปนั่ น, น, นแหละเจริญจนเต็มเปี่ยมและบริบูรณ์เนี่ยนะกว่ากุศลธรรมเหล่านั้นจึงจากบริบูรณ์ผู้ที่คิดอย่างนี้ได้เองเนี่ยนะนั่นแหละเรียกว่าคนมีจินตามายปัญญาคิดได้ยังไงเนี่ยนะอันนั้นคือสิ่งที่น่าคิดว่า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 เพราะเนื่องจากสั่งสมมาในอดีตเป็นอย่างดีท่านก็คิดได้เองอีกและไอคิดเองเนี่ยคิดสร้างฐานทางความคิดเนี่ยใช้เวลานานขนาดไหนความคิดจึงเติบโตเต็มที่ในที่สุดความคิดอันนี้ที่เป็นวิปัสสนาเราเนี่ยเป็นฐานรองรับสัพพัญญุตยานเนี่ยน ะ, ะท่านคิดได้ยังไงท่านท่านอาศัยเหตุปัจจัยอะไรท่านสังสมอะไรเมื่อเกี่ยวข้องกับแต่ละสิ่งท่านคิดว่ายังไงแล้วท่านน้อมความคิดของท่านให้ไปเป็นอะไร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 ก็คิดง่ายๆว่าท่านบวชไม่ใครเห็นด้วยบ้างเพราะล็อกวังเนะพระเจ้าสุดโทธนาล็อกอะไรอย่างดีเลยห้ามเด็ดขาดลูกเราเป็นจักพรพรรดิอย่างเดียวนะบวชไม่ได้เลยนะไปคิดเองไปจเจริญนิพพานาทําไมถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นเหอะแต่ว่าเนี่ยเป็นจักพรพรรดิดีกว่าจะได้มีอํานาจมีกษัตริย์พร้อมล้อมูไปไหนสบายโก้จะตายเหแต่ว่าเป็นนักบวชไปโก้ตรงไหนครับคื อ, ค, อคือก็คิดแบบนั้นนะท่านะะท่านคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามใช้คําว่าทวนกระแสะทางความคิดตลอด เป็นความคิดที่คนอื่นเขาไม่คิดเนี่ยนะอย่างเช่นคนเราทั่วๆไปในเห็นนะเอเอ้รูปไม่เทียงว่าเห็นเกิดแก่เจ็บตายว่าใช่แต่ถามว่ามันได้อะไรมั่งจากความเกิดแก่เจ็บตายที่เรียกว่าเห็นไปนงานศพมาตั้งเยอะแยะได้อะไรบ้างได้อนิจจานุปัสสนาได้มรณานุสติมันเกือบบรรลุแล้วอีกหน่อยนะฉันเห็นคนตายแบบนี้ไม่นานนะฉันจะต้องออกจากความตายได้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 เหลือยิ่งเหลือไม่ค่อยมากอยู่แล้วเนี่ยนะก็หมดไปก็ไม่ได้ห้ามว่าอย่าไปแต่มาว่าไปแล้วมันได้อะไรบ้างมันฉลาดอะไรขึ้นบ้างมีปัญญาโตขึ้นบ้างไหมเจริญมัจแดได้ไหมอะไรไหมเพราะว่าสาระอะไรพระศาสนาก็เพื่อเจริญในสิ่งที่ควรเจริญทาอะไรแล้วไม่ได้เจริญกุศลธร้วกุศลไม่เจริญนี่มันแปลว่ามันแปลว่าขาดทุนนะแปลว่าอากุศลเจริญแปลว่าไม่ได้เดินตามทางของพระพุทธเจ้าดูท่าจะยากที่จะได้มรดกพระองค์เนี่ยนะ เอาพระองค์บอกให้เป็นธรรมทานญาติไม่ใช่เรยมันถ้าเราไม่คิดตามพระองค์ไม่เอาใจพระองค์มากๆนะยากจะได้มรดกของพระองค์โพธิปัฏยธรรมเนี่ยนะอริยสัพรัตนะเหล่านั้นเนี่ยคือไม่ใช่ว่าพระองค์ตนีทีเนี้วอะไรหรอกแต่ว่าไม่มีคุณสมบัติพอเนี่ยนะถ้าได้รัตนะเหล่านี้ไปก็ละเลงเกลี้ยงหมดอนะก็เลยทําตัวไม่คู่ควรที่จะได้รับว่า ง, งั้นกลัวมันอะไรนะเอาไปแล้วแทนที่จะได้ดีก็เสียหายามีอยู่เรื่องหนึ่งในใน สุดสมชาดกเขมีไอ้พราหมณ์คนหนึ่งนะพราหมณ์ที่เขาทรงจําเขาไม่ได้จำหรอกเขาจดจ ด, จดมาเขาก็อ่านทเรียกว่าสตารหะคาถาพอไปอ่านที่ไหนเนี่ยจะได้คาถาละร้อยคาถาละร้อยก็เลยแบบสตารหะคาถาก็ไปเที่ยวอ่านให้คนฟังอนะนะแต่ว่าเขาต้องเลือกเหมือนนะต้องมีสตางค์ด้วยมีศรัทธาด้วยมีอะไรด้วยพออ่านจบเขาจะกษัตริย์ทั้งหลายจะจ่ายเลยสี่ร้อยสี่ร้อยนะก็ถือว่าสมัยนั้นก็โหสี่ร้อยนี่เยอะมากรวยมากเลยนะ วันนี้ก็รักมูลค่าเป็นหลายแสนเลยนะเท่ากับคาถาละแสนเป็นอย่างน้อ ย, อยน้ะก็สี่แสนนั้นไปอธเที่ยวอ่านตามเมืองต่างๆโอ้ใครฟังก็จ่ายเลยหรอสี่ร้อยสี่ร้อยรวยเลยอันนี้ก็มามาจะมาอ่านให้พระเจ้าสุตสมฟังเจ้าสุตสมพออ่านฟังจบก็เลยคิดว่าโอ้โหนี่ไม่ใช่คําของคนทั่ ว, วไปนะนี่เป็นคําของพระพุทธเจ้าแน่นอนนี่เป็นพุทธพจน์แน่นอนเพราะว่าเอาอะไรเป็นเครื่องบูชาเนี่ยนะเพราะว่ า, วา ที่จริงแล้วสมบัติรัตนะในโลกนี้ไม่คู่ควรแก่การบูชาเพราะว่ามันนําออกจากโลกอ่ะเรียกว่าสิ่งที่นําออกจากโลกแล้วจะต้องเอาเอาเอ า, เอาของในโลกเท่าไหร่มาบูชานะจึงจะสมควรเหมือนกันเถอะบอกว่าโอ้แค่น้อยไปเหมงอนกันแล้วก็ไล่อีกแต่ก็คิดไปคิดมาอะไรที่จะคู่ควรแก่การบูชาพระธรรมไม่มีแต่แล้วก็คิดว่าเอ๊ก็คิดว่าเ อ, เ, อเราหน้าน่าจะให้ราชจะสมบัติแก่พราหมณ์ดูแล้วดูลักษณะ พระเจ้าสุตโสมนี้ฉลาดมากเป็นคนที่ใฝเรียนรู้มีศิลปวิทยาทุกศาสตร์ทุ ก, ทกขแขนงเนี่ยดูลักษณะของตาคนนี้แล้วเนี่ยให้แผ่นดินก็บริหารแผ่นดินไม่อยู่แล้วก็ดูอีกก็ตามลักษณะเนี่ยนะตามลักษณะพฤติกรรมของคนนี้เสนาบดีเป็นได้ไหมเป็นไม่ได้ในที่สุดเป็นผู้ใหญ่บ้างก็เป็นไม่ได้ตามลักษณะใคร่ว่าดูตามตาําราแล้วเป็นใหญ่เป็นตัวอะไรไม่ได้เลยก็เลยในที่สุดก็เลยบอกบอกตรงๆว่าทนาจารย์ ท่านอาจารย์เนี่ยไม่รู้จักสินค้าของตัวเองมานมีที่ไหนราคาร้อยหนึ่งต้องราคาพันเลยเรียกว่าสหัสสาระหะก็ต้องควรพันสิก็เลยให้ปคถาละพันคาถาละพันแต่ทีนี้พระเจ้าสุตโสมเนี่ยบูชาคาถาละพันคาถานะ ท, ที่พูดถึงการไม่คบคนทานพูดถึงอนิจจังพูดถึงความคุณงามความดีของโลกุตระธรรมเนี่ยนะในคาถาเหล่านั้นซึ่งถ้าใครเข้าใจปฏิบัติตามก็นําออกจากวัดตะอยู่แล้วละ่ะ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 ไม่รู้ที่จะรักษาอะไรเป็นอะไรชั้นใดย้อนกลับมาว่าถ้าเราศึกษาธรรมะไม่คู่ควรแก่พระธรรมรัตนะเจริญกุศลธรรมไม่เพียงพอที่จะรับธรรมรัตนะเป็นวิชาเองที่สอบเองให้คะแนนเองมั่นใจเองรับรองเองอะไรเองตรวจตราเองมีใจเองจริงไหมอะไรไหมคนอื่นก็เพียงแต่คนแ น, แนวอะไร น, นี่หน่อยๆเท่านั้นแหละ อย่างกุปาถ้าพระพุทธเจ้าก็แนแนวอย่างสมบูรณ์นะเพระองค์เป็นเพราะเป็นเจ้าของวก็แนแนวให้อะไรให้อย่างที่เรามาเรียนมาศึกษานี่เราต้องพยายามเข้าใจให้ชัดเจนเพราะสิ่งเหล่านี้ความเจริญความเสื่อมก็เรียกว่าเฉพาะตนนะแต่ว่าคนที่คิดได้อย่างอย่างตามคําสอนได้อย่างนี้พอมาคิดว่ากว่าจะอ่านรู้เรื่องว่าท่านพูดว่าอะไรนี่ก็ใช้เวลาเยอะเนี่ยนะต้องสมาทานทําบุญตั้งความปรารถนาขอให้เข้าใจเถอะว่าท่านพูดอะไรท่านอยากให้เรารู้อะไรรู้ให้มันเป็นอะไรก่อน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 คล้อยตามคำสอนทำได้ไม่ได้ไม่สำคัญสำคัญตรงที่ว่าเข้าใจไม่ล่ะที่พะององต้องการเข้าใจไหมเพราะบางอย่างถึงเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆ พยา ย, ยามปรับความเข้าใจโน้มโอนตามคําสอนไปเถอะหันไปหาพระพุทธเจ้าว่าพระ อ, องค์รู้อะไรพระ อ, องค์สอนพระ อ, องค์อยากให้เรารู้อะไรสาวกทั้งหลายสมัยนั้นเขารู้อะไรแล้วเราจะรู้ตามได้ไหมเรามีสิทธิ์ไหมนี่ถ้าเราจะมีสิทธิ์เราต้องทํำยังไงบ้างที่จะโอนตามท่านอย่างเดียวพยายามน้อมเอาคิดไว้ในลักษณะนี้ว่าสมัครเพื่อจะรับอริยสัพจากพระรตนะไตรเนี่ยนะถ้าเราคิดเอาเองเออเองเออเองเอ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 เราเออเองว่าเองอะไรเองไม่ได้หรือว่าเราพิจารณาได้ขนาดนี้แล้วท่านแนะนําเราถึงขนาดนี้แล้วต่อไปเราขอทาเองได้ไม่ใช่หรือเนี่ยนะน่าอะไรได้เป๋เลยแหละเชียถ้าหากว่าไม่เอาตามพระรัตนตรัยอย่างเดียวยิ่งเปมากขึ้นเท่านั้นยิ่งขึ้นสูงเท่าไหร่เนี่ยนะํานวณว่าแบบคนระดับล่างๆนะถ้ามียศมีตําแหน่งหน่อยถ้าไม่เกรงใจพระราชาเมื่อไหร่เจ๊งเนะ่ ถ้ามียศมีตำแหน่งนะถ้าไม่เกรงใจผู้ที่สูงที่สุดเจ้าของจริงๆเมืเ่อไหร่ก็เดือดร้อนฉันใดการศึกษาการปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้นยิ่งเจริญคุณธรรมชั้นสูงเท่าไรยิ่งต้องเอาใจพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระมีอยู่สูตรนะเาบอกข้าพเจ้าเลิกบำเรอไฟเลิกบำเร อ, อย่างอื่นนะฮัลมาบำเรอพระพุทธเจ้าอย่างเดียวอันนี้คํานี้ใครพูดบอกพระอรหันต์นะพูดพระอรหันต์บำเร อ, อย่างเดียวคือบำเรอพระพุทธเจ้า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 เจริยาปิด ก, กับในอปบบทานนะท่านเหล่านั้นท่านบอกอท่านดีใจที่ได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ศูญย์เปล่าจริงๆฉันใดที่เรามาศึกษาพระธรรมคําสอนก็ให้นึกไว้ฉันนั้นเถอดนะพยายามตั้งไว้เถอดที่พุทธังสรนังคัจฉามนี้ที่ขอมาพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไม่อยากเสื่อมจากพระพุทธเจ้าเราก็ต้องพูดยังไงก็ได้ให้เราพันธันไว้กับพระพุทธเจ้าให้ตลอดเดี๋ยวเราจะเสื่อมจากพระพุทธเจ้า นนะเพราะถ้าเราเสื่อมจากพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่นะบอกว่าเสื่อมจากแล้ว เ, เ, เลิกนับถือจักรพรรดิเมื่อไหร่ก็กลับไปหาจันทามตามเดิมเพราะงั้นโอ๊ยในวันนันะกลัวจริงเลย